ญาติโทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สองการเจริญกรรมฐานได ว, ว่าวันนี้ถ้าว่าทีมหาสิทธิฐานสูตรเก็ว่าก็เป็นอายตนะไล่ไปได้มาเพราะว่าตกลูกกดใจนะี่ออา ย, วนยตนะของเป็นเมืก่อนเพราะว่าการเจริญกรรมฐานอยายตนะจริงๆนี่เป็นวิปัสสนาญาณ ถ้าถีเป็นสมถะก็ได้ยุทธศสนายันก็ได้อ เ, ายายไดเอาทำให้โดยรอบนะถ้าถือเพื่อสมถะตายเห็นรูปตั้งใจดูรูปจิตไม่เคลื่อนไปที่อื่นจําภาพนั้นได้อย่างนี้เป็นสมถะภ า, าวนาใช่ไหมใช่ที่ต่อไปใช่ไม่รู้ใจคิดว่ารูปในสภาพไม่เที่ยงในความเสื่อมไม่ปกติ แล้วตสลายตัวในที่สุดอย่างนี้คือวิปัสนาภาวนาเพื่อแต่เห็นมารูปรูปสุกรกอันนี้เป็นสักราภารนาเาีนาข้อนี้ก็ขอทิ้งไ้ก่อนขอขึ้นต้นเพราะว่าถ้าไม่มีต้นมรรคผลก็มีจัมบนดาแตนพุทธบริษัทไม่ได้สาหรับมรรคผลในการปฏิบัติจริงๆก็มีสี่หนึ่งพระโสดาบัน สพระสีทาคามีสพระนาคามีสี่พระอรหันต์การปฏิบัติจริงๆต้องมุ่งความเป็นพระอริยเจ้า <c oughs> จะเป็นหรือไม่เป็นนั้นไม่สาคัญให้ตั้งใจว่าเราทําเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าส่วนทำยังไงเราทําตามนั้นมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนท่านก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ทํา ท่านมีเงินเต็มบาทเรามีสองถลึงก็ถือว่าผู้มีเงินยังไงถูกไหมยังก้าวเข้าหาความเป็นผู้มีเงินคึ่งบาทฉะนั้นพระเจ้าทําแบบไหนคนทําแบบนั้นวันนี้ไม่ได้ตรงนี้อาจจะได้พรงนี้ไม่ได้มรืนนี้อาจจะได้เมรืนนี้อาจไม่ได้เดือนหน้าอาจจะได้เดือนหน้าไม่ได้ปีนนู้นได้ก็ได้แล้วปีท้ายที่สุดเรามีชีวิตไม่ได้ตายแล้วอาจจะได้ได้ไม่ได้ ตายแล้วได้นาตาใช่ไหมรวมความว่าววถ้าเราไม่ทิ้งความพยายามที่พระเจ้าสมศักว่าพิริเยนะทุกขมะเจติบกคนจะล่วงทุกได้ด้วยความเพียรก็มามองดูพราเรียเจ้ากันพระโสดาบันกับพระสิทธาคามีเรนั้นสมัตพระโสดาบันเนี่ยมีอย่างหยากอย่างกลางอย่างละเอียดมีสามชั้น พระสีธาคาร ม, มีพระนายคาร ม, มีพระรหันต์อันนี้มีชั้นเดียวไม่มีสามชั้นพระโสดาบันอย่างยากก็มีสินห้าบริสุทธิ์พโสดาบันอย่างกลางก็มีกำหนดสิบประจิตละเอียดนักพระโสดาบันด้านละเอียดอย่างสูงสุดเอรวิณคีก็มีกำหนดสิบละเอียดมากคือเคร่งคัดมาก <c oughs> มีกำหดสิบถึงขั้นไม่ต้องระวังก็ไม่ละเมิด คล้ายๆพระสีธาคารมีอย่าพูดไปคนพูดจะไม่รู้่คนฟังรู้ไม่รู้มันเนี่ยขอย้อนกลับว่าพระโสดาบันกับพระสีธาคารมีมีอะไรบ้างพระโสดาบันตัดสัญญาเดซามพระสีธาคารมีก็ตัดสัญญาเดซามเหมือนกันเป็นสัญญาณสเดียวกันแต่ว่าหยาบละเอียดต่างกัน เรื่องยาบละเอียดเจ้าของวดไม่พูดเวลาไม่พอึืนพูดไปญาติโยมก็เมื่อยหลังแย่พรองความมาตัด 3, สญญามทั้งยอดสามคือหนึ่งสกายญาิทิสองวิกิกิจชาสามทิประตารามาตอริชาติมัโยุดของเกา่าบนี่มันเก่าตลาและเก่าไรความไม่รู้เนี่ย <c oughs> เรื่อของเก่าๆทางกายะทิติต้องแบ่งกําลังใจเป็นสามชั้นอย่างบโสดาปัญิกษาคามีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยจะมีสินบริสุทธิ์ต้องใช้ปัญญาชั้นหนึ่งอย่างยาบอนาคารมีต้องใช้กําลังปัญญาถึงนิพพทายานมีความเบื่ออรหันใช้ปัญญาถึงสังขารปเปรคายานคือวางเฉย ตัวเดียวกันการตัดกิเลสจริงๆเขาตัดตัวเดียวที่สกายาติภถ้าตัวนี้ตัดบรรเทาลงได้น้อยก็เป็นปรโซดาปันและเอียดอีกนิดหนึ่งดีหน่อยหนึ่งก็เป็นพระสธีธาธามีถ้าเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาก็เป็นพระนาธรมจิตบานเฉยเป็นพระอรหไม่อยากเลยนะอยากไหมพูดก็ไม่อยากฟังไม่อยากแต่ปฏิบัติมันไม่ง่าย นะ น, นี้สำหรับพระโสะดาบันสิธาคำมีสกายติทิคำว่าสกายดิธิทิฏิเราความเห็นที่มีการแปลว่าร่างมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นพวเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่างนี้ถือว่าตกอยู่ในกิเลสอย่างนี้เรียกสัญโยชน์นะสัญโยคคือกิเลสเครื่องร้อยรักใจ มันตัดพวกเอาข้าจิตเข้าไปติดอยู่ทีร่างกายนี่เป็นเราเป็นของเราไม่มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายจริ ง, รงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายจริงมันเป็นแพทย์ธาตุสี่เขามาผสมกันแล้วก็มีวิญญาณอันท้ายเข้ามาสิงมีจิตคขามาใสมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วมีความเสื่อมในทำกลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดมันจุดก็พัง คำว่าเราคือใค ร, รคําว่าเราคือจิตคือว่านักปฏิบัติตั้งแต่วิชาสามขึ้นไปละสวนชาสามหลักสัววิชาสามได้ปัญญาได้ใบสัญญายานเขาจะทราบเขาไม่เรียกจิตเขาเรียกว่าอาทิตสมาในกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นได้แต่ตาเนื้อเราคืออทิตสมาในกายหรือจิตในเมื่อร่างกายบันผัง ใจก็ไม่ได้พังด้วยจิตไม่ได้พังด้วยจิตก็หาที่เกิดใหม่ต่อไปถ้ามีอารมณ์ดีเข้าสิงใจจิตก็ไปสู่สุกติมีสวรรค์เป็นต้นถ้าขณะนั้นมีอารมณ์ชั่วเราสิงใจจิตดก็ไปสู่ทุกติมีนรกสป็นต้นนีมันด้เรื่องกันนะนะเรื่งความร่างกายจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไอ้ที่เราติดอยู่ท่านเรียกเรียกวิัทกายจิตติดในร่างกายมีความเห็นที่ร่างกายเป็นเราเป็นพวกเรา ตอนนี้จริงไม่ก่อนเพราะอารมณ์อารร翰ความรู้สึกตามนี้นะเป็นอารหั์อรร翰แยกต้องใช้ใช้ได้บางขณะพอจิตไม่กุ่มแต่กุ่มก็เลิกสช้ให้หันมาใช้แค่อารมณ์ปโสดาบั น, นสิทธาธรรมีอารมณ์ปัโสดาบั น, นสิทธาธรรมีใช้แต่พิวร่างกายนี้มันจะต้องตายคือไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเป็นเสมอว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่ เมื่อตายถ้ามีสภาพไปสู่ร่างกายมันสลายตัวแต่จิตไม่สลายตัวไปด้วยถ้าจิตมีอารมณ์ดีผ่องใสในกุศลจิตก็ไปโศสุสปกติถ้าจิตมีอารมณขุนมัวปเป็นอ ก, กุศลจิตกะไปโทตุกปกติฉะนั้นเราจะต้องห้ามการลงทุกขติไปสู่ทุกขติเอาแต่ทุกติอย่างเดียวนั่นคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นีิพึ่งที่เรียกว่าตัดยุจิกิจฉา เราตักสัยอยณข้อที่สองพิจิธาแปลมีความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้ากระทำพระอาเรศสงเราตักตัวนี้ออกไปจากใจโดยใช้ปัญญาว่าพระพุทธเจ้าจริงๆะท่านดีคนนี้เราพอแยกับถือไหมย่างมรรดาญาโยงวัตถุริษัทรนั่นนี่ต่อคงไม่ต้องถามถ้าไม่นับพอพุทเจ้าก็ไม่มา แล้วก็พระธรรมคาสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรจะนับถือไหมยอมรับนับถือไหมก็ไม่ต้องถามกันอีกก็ไม่ยอมรับนับถือพระธรรมคำส่งสอนพระเจ้าก็ไม่มีจะมมาจะมีเหมือนกันถ้าถือว่าพระอริยสงฆ์คนยอมนับนับถือไหมก็ถือว่าทุกท่านยอมรับนับถือด้วยความจริงใจถ้าความจริงใจมีในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ ก็ถือว่าทุกคนตัดสัญญาณข้อที่สองได้สัญญาณข้อที่หนึ่งจะมีความรู้สึกร่างกายมันจะต้องตายมันจะตายวันนี้ตายตรงนี้ตายเมื่อไรก็ช่างที่มันตายแน่นอนไม่อยู่ตลอดการตลอดสมัยความตายไม่ต้องคิดทั้งวันตอนเช้ามีความรู้สึกว่าชีวิตอาจจะต้องตายแค่นี้ก็พอมันจะตายไม่อไรก็ช่างเราจะสร้างความดีการนวายภูม คือนึกถึงพระพุธทธเจ้าพระธรพระอริยสงฆ์ในความเครารพทั้งดาบฆาตมาเขาทั้งหมดไว้แค่พระอริยสงฆ์ว่าถ้าไม่ใช่พระอริยะบางทีก็ยุ่งๆเหมือนกันเราเลือกอเฉพาะพระอริยเจา้านีเป็นาการตัดเส้นยอดสองข้อท่านได้กันแล้วคือหนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายถ้าไม่มีใครมีความรู้สึกว่าต้องตา ย, า ก, าตตายก็ไม่ใครไม่มีใครต้องทำบุญทุนไทยกัน ตายคิดว่าตายแล้วศูนก็ไป่ําองทไม่ต้องสร้างความดีที่ท่านเชื่อพุทธเจ้าแล้วว่าตายแล้วมีสภาพไม่โสนมันมีแดงไปนีน่ไปเราไม่ต้องการไปส่วไปภูมิโดอยอมรับนับถือพระพุธพทธเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในท่านคือว่าตัดสัญญาณ ข, ข้อที่สองคือวิจิจิจตราก็มีข้อเดียวคือสิรประตตภรามา์ถ้าเป็นมระโศดาบันอย่างหยาบ ก็ตัดก็ทรงได้แค่สินห้าถ่ายไปรุโสดาบันอย่างกลางในอย่างละเอียดก็ทรงคำบดสิบประการในสกิฐาคามีก็เมือนกันก็เหลือยัหน่อยเดียวแค่สินสินของท่านบริสุทธ์นะเห็นบริชา ต, ติเองบริสุทธ์เท่าสินไม่หวมึงก็ตอบว่เวลาหลับสินไม่เคยขัดยห็นไม ก็ลงความมาเราต้องระวังกันหรือเรื่องของธรรมดกาการภาคตั้งเนีจะเพิ่มนำประนามตัวเองว่าเราเนี่เลวเกินไปภาคสิงข้อนั้นบ้างภาค柬埔寨สิบข้อนี้บ้างก็จะเพิ่มประนามกันเพราะว่าเราเกิดมาในพ่วงของนิวรณ์5้าการเกิดเราใสาความชั่วสอย่างในชะานี้คือกิเลสตัณหา ว, วาทานอากุศลกรรมถ้าสีอย่างนี้มันชั่วหมด เวลาที่เราจะเกิดเราอยู่ภายใต้อำนาจของมันก็ต้องตามใจมันเวลาที่เราได้ที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าประธรพระอริยสงฆ์แล้วเราก็ไม่เอาละเราจะผืกิเลส <c oughs> เราจะไม่ตกเป็นภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาป่าทานเอาสนธิกรรมต่อไป <c oughs> แต่ในฐานะที่เราเกิดรั่วอยู่กับมันมา น, นานก็ <c oughs> ต้องถือกันบ้างไปขอธรรมดา ตอนเช้าเผลอตอนบ่ายไม่เถลอตอนเช้าไม่เผลอตอนบ่ายเผล อ, อบาอ้บางก็เป็นธรรมดาเราค่อยๆระมัดระวงังในแช่ก็มีกายเคยชินระมัดระวังศินห้าก่อนแต่ความจริงแล้วระมัดระวังกำหนดสิบจะดีมากเพราะกำหนดสิบก็ดีสินห้าก็ดีเป็นของดีแต่กำหนดสิบเนดีกว่าสินห้าเพราะไปสร้างความกระเทนใจให้กับใคร กรรมบทสิบทางกายมีสามจะไม่ดีนะมนะนะาจดให้ท่านจดให้จำได้ครับเขียน น, ย น, น, นั่งเขียนดาหพ่อเนะงี้ยดนั่งเขียนดาห์อูเงี้ยคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพยสามไม่พดกิจในกรรมทีม่ทางกายทางวาจามีสี่ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ส่อเสียเขาแตกเล่ากัน ไม่พูดวาจาไรประโยชน์ทางความรู้สึกทางใจมีสาคือหนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทงคือไม่เช่รักรักก็ไม่ลักขโมยไม่โมยแต่อยากได้ยังไม่เอาทิ้งความอยากได้ถ้าไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องการกระบการี่สองไม่ผิดหวังไม่จองล้างจองผลานใคร ก็ที่สามสมาชิกมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนด้วยความเห็นชอบก็แค่นี้ไล่เบยกันทุกวันใช่ไหมเขียนไม่ข้านิ่งนอยต้องเขียนไม่น่ะถ้าไม่เขียนมันลยมพอเขียนไว้ตื่นเช้าก็นั่งมองดูกำบวตประกันวันนี้ต้องครบสําหรับเรา พอก่อนจะหลักก็ลืมตาดูใหม่ว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าถึงเวลานี้พล่องอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ชา้าไม่เกินสามเดือนเขานกลงความว่าองค์ทศวรรษดาปันเนศสิธาคำนี้ก็มีสามจะตัดสังโยตสามว่าตงไปคำว่าสังโย์แปลวกิเลสเครื่องลอยรัตคือหนึ่งไม่ลืมควานตายว่า ต, ตรงไปตรงมา สอยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระาาอาริยสงฆ์นี่ตัดสัญญาติสองแล้วามมีศีลกรรมบทสิบริสุทธิ์ตัดสัญญาตดสามถ้าได้สามแค่นี้มีรมต้องการปฏิภาณนั่งคือพระโสดาบั น, น, านทิสิ้นขาดครมบเพียงเท่านี้บรรดาท่ะพระไวิษัตขึ้นชื่ว่าอบายภูไม่มีสับทัาน บาปเก่าๆที่ทำมาแล้วเท่าไรทั้งหมดไม่มีโอกาสให้เกินการเกิดเป็นคนก็จากัดชีดถ้าเป็นมโสโดาบันอย่างอยากเกิดเป็นคนอีกเจ็ดชาติเป็นพระรหันเป็นมโสโดาบันอย่างกลางเกิดเป็นคนอีกสามชาติเป็นพระราหัรเป็นมโสโซดาบันอย่างิลาีเกิดเป็นคนอีกสี่ชาติเป็นพระรหันนี่ว่ากันตามแบบนะ แต่ว่าถ้าหากว่าคนทําได้อย่างนี้ตัดตั้งใจอารมณ์เฉพาะตัดอวิชชาเรื่องชายถ้าทรงอารมณ์พระโสดาบันเดียวยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ก็ตามทีนะซ้อมไม่ก็ได้ตัดอวิชชาเลยนั่นคือคิดว่าการเกิดเป็นนกก็ดีเป็นเดวิดาก็ดีเป็นพระกดีจะไม่มีสําหรับเราเราไปเห็นว่าโลกต้องสมโลกมีความสวยมีความสวยสดงามเป็นที่พอใจ เราไม่เห็นว่าโลกสงสารนี่มีความสุขเราต้องการจุดเดียวคือรู้ใจอย่างนี้ถือว่าตัดวิชาง่ายๆถ้าทําใจอย่างนี้ทุกวันก่อนหลับแล้วตื่นใหม่ๆไม่ช้าอารมณ์มันจะชินอาศัยที่ทุนตัดสัญญาสองได้แล้วสัโญญาสองขอยืนยันว่าทุกคนต่นางได้ที่มาด้วยความตั้งใจจริงนะศาลก็ได้บังเราต้องกอาให้มันบัง ีหิวไว้บ้านบ้างอิวไปจํานําเจ็คจะบ้างอะไรบ้างบันทีก็ล่หายทางน้ําหลวงบ้างเก็บมาใหม่ใช้ใหม่ต่อไปนั่ขอไม่ต้องลงทุนเยอะก็รวมความว่าคิดข้อเดียวที่เรายังท่องอยู่เรแต่ไม่จะคล่องอยู่ข้อเราพยายามตัดอิจฉาอารมณ์กิจจินเวลาป่วยไข้ไม่สบายจริงๆถ้าบัญจะตาย มันมีทุกเวทนานหนักเวลาด้นกิเลสทั้งหลายจะไม่ครอบงำจิตนันครอบไม่ไว้ยอกมังซ้ายก็โ้ยขาก็โวยใช่ไหมปวดหัวปวดท้องกุ้มร้อนร้อนกุ้มหนาวมันนึกถึงอะไรไม่ได้เลยนึกถึงความรักในวางเพศเมื่ก็นึกไม่ไว้จะนึกอยากจะรวยกว่านึกไม่ไว้อยากจะไปฆ่าใครก็ไม่ไว้ อยากจะหลงร่างกายว่า ด, ดีร่างกายมันปวดจริงหรือเวลานั้นมีแต่ทุกขเวทนาอารมณ์ของวิเลททั้งหมดมันไม่มีแต่ทุกขเวทนาก็ถือวมีจิตเศ้ามองแตาถ้าบังเอิญจิตเราคิดผูกเขาทำ ค, คิดจนถึงร่างกายเกิดในโลกมนุษย์มันเป็นทุกอย่างนี้กลายเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกกายเร็วๆอย่างนี้ไม่ขอมีอีกคิดเพียงแค่เนี้ย ต า, า, ายมาแรงเป็นวิญญาณเหมืนั้นเพราะทหารแค่เป็นตรงนี้แล้วทหารเป็นแค่ตัดกายตัวเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านภา ย, ยะว่าภา ย, ยะจงอย่าสนใจในรูปนี่แหละเวลาที่สมาธิจู่ิทเกศโดยในกาอนระพฤติอ้าวตน้นต้นไม่ว่ากันเลยตอนขึ้นตนน้นในญาติโยมะนะอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกอย่าลืมนะ ไปได้เก่ารวมกันลมหายใจนี่มีเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเป็นกรรมฐานระับกายสังขารระดับทวาบรรเทาทุกขเวทนาถ้าร่างกายป่วยหนักนกถ้าเราจับอดาปานุสติได้สมาธิถึงแม้ป่าจะไม่สูงกงแค่จะมีการสมาธิทุกขเวทนาจะบรรเทามากถ้าเป็นมีอารมณ์จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมันจะเหลือแค่ไม่ถึงอร์เซ็ทุเวนา ถ้าถึงฌานต้นไม่มีทุกเวทนาเลยความรู้สึกไม่มีอีกจะเป็นสุขแต่ในตอนตอนอ้นเขาวรนดาแต่พุทธบริษัทรู้ลมหายใจเข้าใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่มันใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกคำภาวนาให้ใช้ตามที่เคยตอ้งมาแล้วถ้าญาติโยมที่มาใหม่ใช้คำภาวนาว่าพุทโธไม่เคยปฏิบัติเลยนะคนที่ปฏิบัติกันแล้วภาวนาว่ายังไงอย่าเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนกลกายขึ้นต้นใหม่ไม่มีการจำเป็นแต่ ว, ว่าท่านนี่ไม่เคยเลยก็ใช้คำนาโพโต ห, หัใจเข้านึงว่าผู้เสนใจออกตั้งวโทใชเวลาเก้านาทีเสเสรต่อไปก็พูดกับถึงมหาสิทฐานสูตรค่อยไว้หน่อยๆนะเดีย๋ยวท่านจะว่าเอามหาสิทธานสูตรวันนี้ว่ากับถึงอยายัดันนะต้จักไหมต้งจนะัดเตายเห็นรูป จมูกเงเาะหมูฟังเสียงยไงประสาทหูเสียหมอลาวประสาทหูว่าวที่จมูกตายเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกสุกเิล่นลิ้นนิ้มรดกายตกต้องสวดศรับสัมผัสและใจรู้อารมณ์ก็ว่ากันตามแบบก็เบื่อมาเปล่าก็รงความวันนี้ขึ้นไปปรึกษาพระท่าน มันบอกเอาแค่ตัวต้นกับตัวไท้ายมาบวกกันเราแล้วครั น, นบวกได้ไหมตาเห็นรูปก็ใช้ใจไงตาตาเราใช้มากแต่บอกถ้ามันตัดที่ตาก็อตาแล้วทุกอย่างตัดได้หมดไม่จําเป็นต้องไล่เบียดแต่ ว, ว่าใจจําเป็นต้องใช่คือปัญญาเมื่อตาเห็นรูปปัญญาคือใจคือปัญญาก็เกิดขึ้นทันที รูปมีสภาพไม่เที่ยงใช่ไหมอันนี้เป็นมิตัศาสนาใหญ่ตาตาเห็นรูปจํารูปได้ชัดเนจนจําแม่นชี้ขาวชี้ดาชี้เขียวชี้แดงอะไรก็ตามเป็หน้าตาเป็นไงจําได้จําได้หมดก็ไม่หมือนก็ตามไปรูป้รูปตัวรู้รูปตัวนี้เป็นสมถภาวนาเป็นสมาธิคือจําได้สมาธิเราตั้งใจจําเพื่อความจําเอง จำได้ไปสมถะภาวนาพป็นสมาธิตัวนี้ตัวรู้ว่าการรูปนี้ไม่มีการสรงตัวรูปมีสภาพไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปค่อยๆเสื่อมไปวันละน้อยน้อยความแก่ครอบงามเข้ามาเวลาล่วงเลยไปกี่นาทีนับไปทีได้เลยมันก็แก่ไปทุกนาทีแต่เมื่อรูปมีสภาพไปเที่ยงมีความเสื่อมถ้ารูปมีอะไรบ้าง รูปก็มีทุกเวทนาอย่างสาหัสที่เป็นอริยสัจเป็นไม่ปัสนนาดานยันในด้านอริยสัจความทุกข์ต่างๆขึ้นเกิดขึ้นจากรูปถ้าเราไม่มีรูปความทุกข์หลายแล้วมันก็ไม่มีอาจจะมีในนรกบ้างเป็นเป็ดบ้างในเราไม่ทราบจําไม่ได้เลิกจํากันเราถือว่าการที่ทรงตัวอยู่แบบนี้ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะรูป มีอะไรบ้างอันดับแรก 1. นึงความหิวถ้าเราไม่มีรูปคือไม่มีร่างกายอย่างนี้มันจะมีความหิวมาจากไหนหิวก็หิวแต่ถ้าบอกเป็นเปรตก็หิวไปสุรกายหิวไปสนนรกก็หิวก็ลอยไปเวลานี้เราเป็นคนเราคิดเอาแค่คนว่ามันมีความหิวร่างกายของคนถ้าเราไม่มีร่างกายของคนแบบนี้มันก็ไม่หิวถ้าบอกว่าสัตว์ก็หิวเราไม่คิดถึงเราไม่ใช่สัตว์ การป่วยไข่สบายเกิดขึ้นเพราะอาศัยไข่อาศัยรูปรูปมันมีการป่วยไข่สบายปวดน่นเจ็บนี่ือรูปถ้าไม่มีรูปอาการป่วยก็ไม่เกิดขึ้ น, นการพักผ้าเจ้าของรักของจะเข้าใจเกิดขึ้นเพราะใข่เพราะรูปใช้ปัญญาเอาใจเข้ามาโบกรูปนะีเอาตัวเดียวพอใช่ไหมเขาไม่หน่อยไม่งั้นอยาหาใข่สอนมาที่สารสูตร แต่วันนี้ขึ้นไปถามพระแต่แล้วถ้าบอกคุณยังบายเยอะอยู่นะว่าเรื่อยไปเป็นคนไม่รู้เรื่องไม่ก็ไม่มีผลถ้าบอกให้บวกตัวตัวหน้ากับตัวหลังกมาสมกันสองตัวต่อพอไหมการตายเห็นรูปใจพอใจในรูปเป็นสักการยะยที่มาแล้วไปแล้วเอาเข้าสังโยชน์กาเป็นสังโยชน์คิดลหลงไหลไปฝัน่รูปเป็นเราเป็นของเรา ตาตายเห็นโลกเกิดโกรธรูปเกินมาเป็นอะไรเป็นโทสะจริตลงมาโกูกปีกใช่ไหมกลวงความรูปตัวเดียวเราตายเห็นโลกฟัดถ้าเราหลงในกิเลสอันดับแรกถ้าเป็นรูปที่เราพอใจราคะเกิดขึ้นความรักใช่ไหมใช่นะ ในการในสองเมื่ความนักเกิดขึ้นความโลภ ก, ก็เกิดอยากจะได้ขมาจะไูปคนรูกสัตว์รูปวัตถุก็ตามลูกจะมันมัดเป็นคนอย่างเดียวนะรูปเพชรเนี่ยผู้หญิงแง่แง่ใช่ไมตาพองบอกเพชรนี่ยเนี่ยสกายดิจิติมันเกิดที่ตาแล้วไอราคะเกิดขึ้นโลภ ก, ก, ก็มาอยากได้เพชรเม็ดนี้ทันี้ตัวทุกข์ก็เกิดขึ้นต้องขยันทํา ง, งานได้กระดังในชื้อเพชร เป็นทุกจะไหมอันนี้แบรเรียส์ส์ต่ถ้าบางอา่านไอเห็นรูปประเภทนั้นไปจะเราไม่ชอบใจความกรัวก็เกิดขึ้นเพราะรูปปตายรูปใช่มที่สามได้ที่สถานการที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรามีความหลงในรูปของเรามากเกินไปที่ว่ารูปของเรามันไม่พังรูปคนอื่นเขาจะพังรวมความว่าตายเห็นรูปอย่างเดียวมันก็มีอุศลพุทธร้ายเข้ามาแทรก นั้นใจคือปัญญาต้องใช้ให้มันถูกต้องเลยในเมื่อตายเห็นรูปใจติดในรูปเป็นของธรรมจาร์ต้องจำรูปใครไม่จำรูปไม่มีใช่ไหมต้องมีรูปก็จำรูปในเมื่อมันหลงในรูปก็่อยไปพักตามเรื่องกิเลสมคาครอบงำจิตเราเรื่องที่วันห้าต่อไปถ้ารมใจโปรก็ามานั่งไข้ควรตามความเป็นจริง พรารูปคือเป็นปัจจัยเกิดความสุขหรือความทุกข์ปัจจัยเราก็เห็นต่างภาพเป็นจริงว่ารูปขึ้นที่รูปเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เราหิ้เพราะรูปเรากระหายเพราะรูปหนาวเกินไปเพราะรูปร้อนเกินไปเพราะรูปปวยเข่าไม่สบายเพราะรูปตะแบกกอบขิดการงานมีความเหนื่อยยากเพราะรูปความรักเกิดขึ้นเพราะรูป ความอยากได้เกิดขึ้นพระรูปความรูความไม่พอใจเกิดขึ้นพระรูปความหลงไหลไฝฝันติดใร่างกายเกินไปพระรูปกรวัความทั้งหมดนี่มันเป็นของไมด่ดีแล้วก็เรียกว่าหาความจริงเข้าตัดตรูปตัเดียวพอเขาบอกแล้วตัดรูปคือตัดสกายณิสติถ้าตัดได้อย่างต่ําจะเป็นปสดาบาลนิสิตา ถ้าเข้าถึงนี้ไปพาายาเกิดความเบื่อหน่ายในรูปรังเกียดในรูปเป็นพระอนาคามิพาจิตวางเฉยไม่สนใจกับรวกคําว่าไม่สนใจไม่ใช่ไม่กินไม่อยู่นะกินก็กินป่วยก็รักษาแต่ว่าร่างกายจยะแก่ก็เป็นแก่ธรรมดาของร่างกายร่างกายจะตายก็เชิญตายเป็นธรรมดาของร่างกายถ้าคิดอย่างนี้จิตใจไม่หวั่นไหวเป็นพระอรหันต์นอย่าพึ่งเป็นเลยนะ <c oughs> เรียย่อยก่อน รวมควาวว่าวันนี้อายันา6หกตายเห็นลูกหูฟังเสียงจัหมกสุกปิ้งดินยรถไกลถูกต้องมาสัมผัสอารมณ์โดยที่กับใจเราก็ใช้แค่สองอย่างพอถ้าตัดรูกได้หมดค่อยๆ ค, คิดทุกคนจงอยากคิดว่าเราจะตัดวันเดียวหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหมดอันนี้ไม่ได้ท่าคจคิดควรจะหาความจริงคิดว่าถึงถ้าอันดับสุดท้าย ในเมื่อรูปยังทรงตัวอยู่เราจะไม่ตายแล้วต้องอาศัยรูปที่ตามความจริงตามนี้นะเราต้องอาศัยมันถ้ามันขิวเราต้องให้มันกินมันร้อนเกินไปต้องหาของเย็นมาให้มันหนาวเกินไปต้องหา ข, ข, ของอุ่นมาให้ป่วยไข้ไม่ส บ, บายต้องรักษาแสดงว่าร่างกายคือรูปประเพ น, นี้ขอมีชาตินี้เป็นชาติคนไทย ตัวรูปมีแด่ความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกถ้าร่างกายที่รูปอันนี้พังอะไรขอพังให้พังเปทั้งท้ายแล้วไม่ต้องการมีรูปตัวการพังต่อไปตั้งใจไว้จุดเดียวคือนิพพานถ้าหันเข้าไปตัดสังโยสสามให้ได้คืนสักกายที่ติดตอนต้นคิดว่าชีวิตนี้ต้องลายวิจิกิจฉา ย, ยอมรับตั้งถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอน ที่เราตัดปรามาสพยายามรักษาชิ้นห้าหรือทํ้หมดสุดไม้ได้แน่นอนบริวารนิมิตวังข้อหลังนี้อาจจะต้องบางและบองก็ตามพยายามตัดอุปาชาเวลาที่ใจเนียเมียคิดถึงความเป็นจริงว่ามนุษสโลก็ดีเทวโลก็ดีสุเมโลก็ดีไม่ใช่ใดก็ความสุขจริงมีความทุกข์จิงอยู่มากคุณแมว่าเทวโลกกับสุเมโลกจะถือว่าเป็นแดนที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ แต่ว่าเมื่อหมดม น, นุษณาบารมีก็ต้องกลับมาทุกใหม่ฉะนั้นเราไม่ต้องการแดนทั้งสามนี้คือมนุษย์โลกเทวโลกโลกับอมโลเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานุหลังจากนั้นทําใจเพื่อนิพพานแล้วก็ทําสมาธิสมาธิเนี่ยทำยังไงก็ได้ตามชอบใจนะอยาภาวนาว่าแบบไหนทําแบบนั้นก็ตามใจสักงสองสามนาทีก็ได้ในช่วงก่อนทำหวังนิพพานไม่ก่อน หลังขณะที่ภาวนาจงอย่าเนื้อถึงผ่านให้ทำเฉยๆธรรมลมเพื่อเป็นสุขาจิตจับจี้ศูนย์เหนือสดูเล็กสตูเ ล, สเล็กน้อยแล้วภาวนาแล้วรู้ว่าสงรงงู้ลมหายใจเขาออกเทียงแค่นี้จิตจะขี่ทําอย่างนี้ทุกวันจะตายเมื่อไรนิพพานเหมือนั้นอรนารนณายาโยมพุรธวิสัชทุตัน้นหมดเวลาบดีตอนนี้ไปขอทุกต่านตันต้งใจสมาทานสิ่สม า, ามทานมันกรรมฐาน